วันนี้ก็ยังอ่านข้อความในวินัยอ่ะเนียในวินัยก็ยังพูดอารัมพบทอ่ะเนี่ยเรียกว่าอารัมภกถากาล่าวถึงข้อความในปฐมสังคีติว่าธรรมวินัยหรือพระไตรปิฎกที่เรียบเรียงมาแล้วเนี่ยเป็นความลึกซึ้งมีความลึกซึ้งคือพระสูตรพระวินัย พระพิธรรมเนี่ยนะกับวิสุทธิมรรคเนี่ยวิธีขยายคล้ายๆกันมากในคำพีท่านก็สงเคราะห์พระสูตรวินัยอภิธรรมโดยเทสนาโดยศาสนาแล้วก็โดยกระถานะโดยกระถาโดยอะไรข้อ4โดยสิกขาข้อหโดยปะหานะข้อ6โดยคำพีระ ส่วนคำภีระมีอยู่สี่อย่างคำภีระแปลว่าความลึกซึ้งเรียกว่ายากแท้อย่างถึงนะนะความลึกซึ้งมางความลึกซึ้งมีอยู่สี่อย่างลึกซึ้งโดยอัฏฐะลึกซึ้งโดยธรรมะลึกซึ้งโดยเทศนาแล้วก็ลึกซึ้งโดยปฏิเวทเมื่อคําสอนในพระไตรปิฎกเลยนะแต่ละปิฎกมีความลึกซึ้งแบบนั้นเนี่ย ทั้งโดยอาาัฏฐธรรมเทศนาและปฏิเวทเนี่ยก็ยากนักที่คนไม่มีบุญว่างั้นจะพึ่งพิงได้จะอาศัยได้ว่างั้นที่จะเรียนศึกษาและปฏิบัติตามได้เนี่ยยากเหมือนกับทะเลว่างั้นมหาสมุทรเนี่ยยากนักที่สัตว์เล็กๆมีกระต่ายเป็นต้นจะพึ่งพิงได้นะนี้ท่านก็แสดง พราะฉะ น, นผู้ที่จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคําสอนอย่างต่อเนื่องเป็นต้นเนี่ยนะให้มหากุศลจิตเกิดโดยที่มีพระธรรมคําสอนเป็นอา ร, รมณปัจจัยนะมหากุศลจิตโดยที่มีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอา ร, รมณปัจจัยอย่างสืบเนื่องยาวอันนั้นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากจริงๆริงอันนยากมากว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนะถ้าเรา แบ่งความคิดของเราแล้วนะคือในโลกเนี่ยจะว่าไปก็คือจิตเท่านั้นนะใช่ไหมโลกเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องรู้อารมณ์ทีนี้เมื่อจิตที่รู้อารมณ์เนี่ยนะวันหนึ่งมันก็ยี่สี่ชั่วโมงเท่ากันเนไหนะก็บอกว่าความคิดมันก็เกิดยี่บสี่ชั่วโมงอะไรต่อวั น, นทีนี้ในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะจิตที่จะเป็นไปกับคาสอน เราสา ม, มารถให้จิตนั้นอะเป็นไปได้กี่ชั่วโมงใน24ชั่วโมงใครที่มีสา ม, มารถให้จิตเป็นไปกับคำสอนได้หนึ่งชั่วโมงก็บุญเขาก็ทำได้เท่านั้นแหะถ้าเขามีจิตที่เป็นไปกับคำสอนได้สองชั่วโมง3าชั่วโมงสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงคำสอนเขาก็จะเป็นไปได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นพระพิสุทที่ท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อความพ้นจากวัฏทุกจริงๆ จิตท่านจะเป็นไปกับคําสอน19ชั่วโมงเห็นไหมจิตท่านจะเป็นไปกับคําสอนเนี่ย19ชั่วโมงหลับสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงเท่านั้นเองที่เหลือชาคริยานุโยกจิตเป็นไปกับคําสอนหมด19ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะตอนท่า น, ท, านท่านให้ความคิดอันนี้หล่อเลี้ยงต่อเนื่องยาวบางองค์ก็สิบปียี่สิปีจึงจะได้ตรัสรู้อริยสัจธรรม ขนาดกุศลจิตเป็นไปขนาดนี้ขนาดพระฐบาล น, นั้นบวชชนิดที่ว่าทุ่มเทก็สิบสองปีจึงได้เป็นพระราษฎรทุ่มเทแล้วก็ภารกิจเทียบกับสมัยนั้นกับสมัยนี้แตกต่างกันมากสติปัญญาของเขาของคนสมัยนั้นเนี่ยฟังรอบเดียวจําได้หมดเลยว่าตามพระพุทธเจ้าได้เล ย, อยขอให้ผ่านหูเท่านั้นแหละเขาสามารถเอามาเล่าได้เท่ากับคนพูดนั่นแหละ เขามีความสามารถขนาดนั้นเขาก็ตึกธรรมะอย่างเดียวแล้วก็เพราะเขาทุ่มเท ม, มากแล้วสมัยนั้นเนี่ยเมื่อเทียบถึงสังคมสิ่งแวดล้อมเขาวิเวกกว่าเนี่ยนะมีป่ามีเขามากกว่าวิเวกกว่ากลาง ม, มีวิจิตไม่เท่าสมัยนี้นะรูปเสียงเปลี่นรสโรตภตาพะไม่ได้วิจิตขนาดนี้อ่าเมื่อไม่วิจิตนั้นคําสอนเนี่ยจึงเป็นไปกับความคิดของเขามากจิตของเขาเป็นไปกับคําสอนส่วนมากเนี่ยนะแล้วเขามี เขามีความภูมิใจแต่ละคนเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจมากที่เขาได้เกิดทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาได้ฟังธรร ม, มาจากพระโอษฐ์เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเตือนกันและการบ่อยนี่ถ้าท่านขี้เกียจนะท่านไม่สามารถทําให้พระพุทธเจ้ายินดีได้นะแล้วทุกคนเนี่ยเกรงใจพระพุทธเจ้าหมดเลยก็บอกว่าคนเกรงใจพระพุทธเจ้าเหมือนคนกลัวช้างอย่างนันกลัวช้างกลัวราชสียาเนี่ยคนเนี่ยจะเกรงชนิดอย่างนั้นเลยถ้าพระภิกษุนะ นั่งสี่ห้าร้อรูปเนี่ยใครแกแอมขึ้นองค์ข้างๆเอาเข่ากระทุ่งเลยเงียบพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมนะขนาดจะอยังไอไม่ได้เลยอะแกะแอมก็แกแอมไม่ได้เงียบอย่างเดียวบางบางวันเนี่ยพระองค์มองเห็นโอ้เงียบขนาดนี้ถ้าพระองค์ไม่พูดก่อนนะปล่อยให้กลับล่วงไปเฉยๆก็จะเงียบอยู่อย่างนี้ตนตลอดกลับไม่มีใครกล้าพูดก่อนแล้วพระองค์ก็จะแสดงธรรมตาลบขึ้นมาก่อน น, น, นะ อันอันนั้นเป็นพุทธานุภาพเป็นบุญของพระ อ, องค์ซึ่งสั่งสมบา ร, รมีเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเนี่ย น, นของเราก็ได้ไอดถึงคิดถึงเราไม่ได้เลยนะถถ้าไม่มีเราแบบนี้ได้ดีไปแล้วของเราก็ทําให้เห็นว่าคนที่มีบุญเนี่ยเขาก็เป็นไปในลักษณะนั้นทีนี้ของเราถ้าเราไม่สะสมบุญมันก็ประวัติศาสต ร, ร์มันก็ได้มาขนาดนี้แนละ้วใช่ไหม อันนี้ของเราเนี่ยถ้าเป็นฝนเราก็ตกห้างหางแล้วนะโปรยโรยแบบนี้แล้วมันห้างหางแล้วไม่ใช่หัวฝนแลที่มันตกหนักๆพระทำคําสอนในยุคนี้ก็ถือว่านับว่าแผ่วมากนะแผ่วไปเยอะความจําก็ไม่ค่อยดีอารมณ์ก็มากมายวิจิตพิ่สดานเมื่ออารมณ์หลากหลายมากมายขนาดนี้มันวิจิตมากมายขนาดนี้การที่จะมีจิตเป็นไปกับคําสอนจริงๆเนี่ยนับว่ายากมากเนี่ยทั้งทั เพศสมณะคือเพศพระภิกษุและก็เพศค า, าระวะก็ยากพอๆกันคือที่กล่าวอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้มีศรัทธา ม, มากแบบคนสมัยนั้นพอที่จะกล้าเสียสละวัตถุบางอย่างสละอารมณ์บางอย่างเพื่อที่จะเอาบางอย่างเราไม่ได้มีความเสียสละมากมายขนาดนั้นหรือไม่ได้เห็นอานิสงค์ของพระตรัตรายมากขนาดนั้นนั้นถ้าเราเห็นอานิสงค์ขนาดนั้นเราก็ทุ่มเทได้ ถ้าเห็นอันนี้สงมากเท่าไหร่ในสิ่งนั้นๆเราก็จะทุ่มเทนในสิ่งนั้นนั้นมากยกตัวอย่างทําไมเรื่องศีลท่านจึงเอาอันนี้สงม า, มาพูดก่อนเพราะคนที่เห็นอันนี้สงก็จะทุ่มเทให้ศีลอย่างมากมายมหาศาลเดี๋ยวตอนหลังๆเราเรียนไปเราจะเห็นว่าพระพิสุหลายรูปที่ท่านตายกับศีลเลยเนีย่ยเรียกว่ายอมตายกับศีลเพราะท่านเห็นอั น, นิี้สงของศีลจริงๆนะเห็นว่าศีลเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นทรัพย์จริงๆอ่ะ เราคิดดูนะว่าแค่คนมีสร้อยเนี่ยนะไข่มากระชากสร้อยหรือมีแหวนเพชรมีอะไรเนี่ยมันแทบจะข้ามศพคนนั้นไปก่อนนะเขาจึงจะยอมปล่อยได้ใช่ไหมอันนี้แค่แก้วแหวนเงินทองราคาเมื่อเทียบไปแล้วก็เทียบกับชีวิตเขาเทียบไม่ได้เลยเห็นไหมคนกระจุกอ่ากระตุกสร้อยกระตกกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าสตังกระเป๋าอะไรเนี่ยนะโอ้ยไม่ได้เลยร้องโวยวายอยู่นั่นแหละแต่นี้นั่นเขาเขาเห็นว่าเป็นทรัพย์ถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นว่า เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเหล่านี้เนี่ยเป็นทรัพย์ได้ขนาดนั้นเราก็จะสังวรทรัพย์อันนี้ลักษณะเดียวกันเหมือนันนะไม่ปล่อยให้ให้หลุดหายง่ายๆเหมืยอยนกันเพราะเราเห็นอันนี้สอมากมายขนาดนั้นว่าศีลเหล่านี้เป็นที่พึ่งพิงแต่เราจริงๆชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าไม่มีฐานคือศีลเหล่านี้กุศลธรรมชั้นสูงจะเกิดได้อย่างไรเพราะว่าถ้ากุศลศีลไม่เกิดเนี่ยนะ On, on. อ้อนวอนอวิปติสารขอให้เกิดเธอศีลไม่มีเนี่ยนะปราถนาให้ตัวเองไม่เดือดร้อนใจก็ไม่ใช่ฐานะถ้าหากว่าตัวเป็นคนเดือดร้อนใจอยู่ตลอดเวลาปราถนาปราโมทก็ไม่ใช่ฐานะเองถ้าหากว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่ค่อยมีปราโมทไม่เ อ, อิบอิ่มเลยขอปราถนาขอปีติปีติก็ไม่เกิดเมื่อปีติไม่เกิดขอความสงบคือปสัสสัก็ขอไม่ได้ ถ้าความสงบเรียกว่าปสัสสาวะไม่มีร้องเรียกหาความสุขยังไงก็ไม่ได้เมื่อร้องเรียกหาความสุขไม่ได้คนที่ไม่มีความสุขข อ, อสมาธิอ่อนวอนโอ้ยขอให้คณิกะสมาธิอุปจาระอั ป, ปนามาประดิสถานในใจข้าพเจ้าเถอะอ่อนวอนยังไงสมาธิก็ไม่เกิดเพราะไม่มีสุขทีนี้ถ้าสมาธิไม่มีสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานันทสนะการเพ่งเพียนรูปนามขันห้า จริงๆก็ไม่ใช่ฐานะเพราะว่าลำดับมันวิบัติไปหมดแล้วเน่นะแล้วพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสด้วยนะพระองค์ปฏิเสธไว้แล้วว่าถ้าเป็นคําสอนของพระองค์ก็ต้องเป็นไปตามลักษณะอันนั้นอยู่แล้วเนะนี่ยนะอันกุศลศีลต้องทําให้บริบูรณ์จริงๆแต่คนที่จะทําให้บริบูรณ์ในศีลได้เพราะรู้สองอย่างคือเห็นอนิสงส์ของศีลอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นโทษของความทุศีลอย่างหนึ่ง ว่าศีนเนี่ยมีอ น, นิสงส์ขนาดไหนถ้าทุศีลถ้าละเมิดศีลไปแล้วเนี่ยเสียหายขนาดไหนเขาแยกแยะออกถ้าเขาแยกแยะออกได้ขนาดนี้เขาจึงจะสังวรสัารวมระวังรักษาเหมือนกับคนรักษาทรัพมันนะรักษาทรัพที่ที่เขาหวงแหนมากเพราะว่าทรัพย์อันนี้ทรัพย์คือศีนอันนี้สามารถทำให้เขาพ้นจากวัตทุกได้จริงๆเนี่ยนะ เพราะเขาเห็นว่าสังสารทุกเนี่ยมันทุกจริงๆทีนี้มาดูจัดประเภทของศีล น, นะในหน้าส4ต่อจากเมื่อวานคือศีลเนี่ยนะนับเป็นอย่างเดียวก็ได้เรียกว่าศีละนะคือตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายวาจาเนี่ยนะไม่ละเมิดออกมาแล้วก็ศีล น, นี้ชื่อว่าศีลละนะเพราะว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไป ศีลก็ยังมาแบ่งประเภทเป็นสองอย่างสองอย่างนี้หมวดสองเขาเรียกว่าทุกกะถ้าหมวด3ามเาเรียกว่าติกะหมวดสี่เรียกว่าจตุกะหมวด5เรียกว่าปัญจกะอ่าตรงนี้เรามากล่าวถึงทุกกะอ่าในทุกกะนี้มีอยู่7ทุกกะด้วยกันทุกกะที่1กล่าวถึงจาริตศีลกับวาริตศิลเนี่ยนะจาริตศีลกับวาริตศีล ซึ่งจริตศีลป์ก็คือศีลที่ต้องประพฤติอ์ะนะก็บอกว่าคนที่จะมีศีลอย่างนี้ได้คนนั้นจะต้องประพฤตินั้นจาริตะแปลว่าความประพฤติส่วนวาริตะหรือวารีดเป็นความเ ว, วงง้นว่าไงเด้อต้านทานรักษาตนจากข้อที่ทรงห้ามถ้าเป็นพระภิกษุก็คือพระองค์ห้ามอย่างไรก็ไม่ละเมิดออกไปในส่วนไหนที่พระองค์ให้ประพฤติก็เข้าไปประพฤติส่วนไหนที่พระองค์ทรงห้ามก็ ไม่ละเมิดเนี่ยนะอ่าอย่างนี้เรียกว่ากลุ่มที่1นึะธุกะที่หนึ่งจาริตศีลกับวาริตศีลอ่าธุกะที่สองจัดว่ามีสองอย่างอย่างนั้นเหมือนกันโดยความนะโดยเกี่ยวกับอภิสมาจาริกศีลกับอาทิพรหมจาริกศีลเนี่ยนะอ่าคำว่าอภิสมาจารเนี่ยนะแปลว่าความประพฤติดีสูงสุดเนี่ยนะ อาภิสมาจาริกาสีนี่เป็นศีลที่ประพฤติอย่างดีประพฤติอย่างสูงสุดเหมือนกันส่วนอาธิพรหมจริกศีล ก, ก็คือศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งมรคพรหมจันทร์เรียกว่าอาธิพรหมจาริกศีลไม่ต้องกลัวนะจะอธิบายในชั้นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็อธิบายเฉพาะสัพท์หัวข้อก่อนัอนนะให้เข้าใจความหมายของศัพท์หรือกลุ่ม ต่อไปทุกะที่3โดยเกี่ยวกับวิรติศินเนี่ยนะกับอวิรติศินก็คือวิรติศีลกับอวิรติสินสนั่นเองเนี่ยนะวิรัตสินก็คือเวนนะวิรติอวิรัตก็ไม่เว้นไม่เวนเนี่ยได้ถึงอะไรหมายถึงเจตนาศีลเป็นต้นนั่นเองเจตนาศีลสังวรศีนบางอย่างไม่เวนเห็นไหม Jub आ, ที่เว้น playoffs, มีวีรตีอย่างเดียวที่เหลือไม่ไม่ใช่วีรตีใช่ไหมก็ไม่ได้เว้นเจตนาศีลเจตสิกศีลเจตสิกมีวีรตีกับมโนกรรมไอ้ส่วนที่เป็นวีรตีอะเว้นที่เหลือไม่ใช่วีรตีเลยนอกจากวีรตีสามที่เหลือไม่ใช่วีรตีศีลนะเจตนาศีลเจตสิกศีลเจตสิกมีวีรตีอยู่ในด้วยใช่เจตนาคาว่าเจตนาก็ไม่ใช่วีรตีใช่ อนาพิชาอัพยาปาธาสัมมาทิฐิก็ไม่ได้วีรติไม่ใช่วีรติสังวรก็ไม่ใช่วีรติแล้วก็อวีติกมะก็ไม่ใช่วีรติที่เหลือเว้นจากวีรตินั่นแหละเรียกว่าอาวีรัสีอั น, นิศีนะะเดี๋ยวจะเรียนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งทุกกะที่4ก็คือโดยเกี่ยวกับนิสิตาศีกับอนิสิตาศีอา น, นิสิตนี่แปลว่าอาศัยไนงะ แต่ว่าอาศัยในที่นี้อาศัยตันหาแหละทิฏฐิศีลที่อาศัยตันหาแหละทิฏฐิ bathroom, และศีลที่ไม่อาศัยตันหาแหละทิฏฐิเหนไหมนิสิตตัวนั้นนี่แปลว่าอาศัยศีลที่อาศัยตันหาแหละทิฏฐิกับศีลที่ไม่อาศัยตันหาและทิฏฐิทุกกะที่5โดยเกี่ยวกับกาละปริยันต์ศีลกับอาปาณโกติกศีล คำว่ากาลปริยันต์ศีลก็คือศีลมีความสิ้นสุดลงโดยการนะศีล น, นั้นมีการตามที่กําหนดไว้สิ้นสุดลงเช่นพอถึงวันพระเนี่ยพวกรกันกสมาทานวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นแหละอุโบสถอ่ะอันนี้เรียกว่าศีลมีการเป็นที่สุดอ่ะนะมีระยะเวลาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้เรียกว่าศีลเนี่ยมีกําหนดการส่วนอาปาณนะโกติกะศีลก็คือ ตราบสิ้นลมปราณเขาาอย่างนั้นสมาทานแล้วก็รักษาไม่ขาดเป็นต้นตราบสิ้นลมปราณอันนี้เขาเรียกว่าอาปาณะโกติกะปาณะแปลว่าลมปราณ น, นะนะโอ้โหรักษาศีลเนี่ยโกติมันก็โอ้โหสุดยอดเลยนะตราบสิ้นลมปราณอันนี้ เ, เรียกว่าศีลกําหนดอย่างสูงสุดเลยนะเอาแค่ตายอ่างนั้นเถอะต่อไปก็ทุกขะที่6โดยเกี่ยวกับสปริยันตศีลและอะปริยันตศีล ก็คือศีลมีที่สุดกับศีลไม่มีที่สุดศีลมีที่สุดเช่นมีลาบเป็นที่สุดมียศเป็นที่สุดอย่างเงี้ยนะปริยันตะเนี่ยไออันตะตัวนั้นแปลว่าที่สุดสัพปริยันตาก็คือศีลที่มีที่สุดรอบอ่ะนะกับศีลที่ไม่มีที่สุดแล้วก็โดยเกี่ยวกับโลกิยะศีลกับโลกุตระศีลคําว่าโลกิยะศีลก็คือศีลที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกอ่างเงี้ยยังมีแบบโลกโลกเป็นอารมณ์ นะเช่นมีชีวิตเป็นศีลเป็นอารมณ์เป็นต้นนั่นนะพวกนี้ส่วนโลกุตระศีนั้นก็เป็นศีลที่พ้นโลกมทําไมจึงพ้นโลกเพราะศีลเป็นศีลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ศีลถ้ามีโลกิยาธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่าโลกิยะศีลศีลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าโลกุตระศีลสรุปแล้วในทุกกะเนี่ยนะมีอยู่เจดทุกกะด้วยกันทุกกะที่หนึ่งจาริตศีลกับวาริตตศีล ทุกกะที่ Martine, zos, marine, 2อภิาสมาจาริกาสีนกับอาทิ่พรมจาริกาสีนทุกกะที่สมเรียกว่าวิรัตศีนกับอวิรัตศีนทุกกะที่สก็คือนิสิตาศีนและอนิสิตาสีนทุกกะที่5กาละปริยันตศีนกับอาปาณโกติกศีลทุกกะที่6สปริยันตศีลอะปริยันตศีน ทุกะที่เจ็บโลกิยะศีลและก็โลกุตระศีลในทุกะนี้สรุปแล้วมีศีลมีเท่าไหร่ในนี้เจคูณ2เท่ากับ14ในในทุกะนี้มีศีลอยู่14อย่างเนี่ยนะที่จริงแล้วศีลก็คือเจตนาเจตสิกสังวร อ, อวีติกมะนี่แหละแต่ว่ามาแบ่งเป็นหมวด2อนะมาจัดทั้งหมดเหล่านั้นเป็นสองสองสองสองสองสองก็มาแบ่งโดยนัยยะต่างๆได้ ทนี้ศีนเนี่ยมาจัดเป็นหมวดสามก็ได้นะหมวดสามเาเรียกว่าติกะมีอยู่ห้าติกะด้วยกันเนะีนะ่ยติกะที่หนึ่งโดยเกี่ยวกับหินศีนมชิมศีนและปณีตศีนหินศีนก็คือศีลที่เลวกว่ามชิมะเลวกว่าปณีตะนะรัเลวที่สุดเหมือนนเด้อตกต่าที่สุดเหมือนนในบรรดาศีนหรือว่า ศีนนั้นมีกําลังอ่อนมากว่างั้นเถอะหรือว่าศีนที่เสื่อมจากคุณหรือว่าศีนที่ไปเกี่ยวข้องกับรักษาศีลและครบแต่คนไม่มีศีนน่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าศีนอย่างเลวว่างั้นศีนอย่างปานกลางแล้วก็ศีลอย่างประณีตคําว่าศีลที่ประนีตก็คือนําไปสู่ความเป็นประธานด้วยปัจจัยทั้งหลายของตนศีลที่ประนีตก็คือเป็นศีนที่เกื้อกูลต่ออริยมรรคอริยผลเนี่ยนะส่วนศีนที่หินศีนก็ศีลที่ครบนะ ได้คบมิตรที่ไม่ดีเป็นต้นนะนะศีลนั้นก็ไม่ค่อยดีหรือว่าศีลที่ไม่ค่อยจะมีรักษาไม่ค่อยมีศรัทธาที่จะรักษาเท่าไหร่อันนี้ก็นับว่าเป็นอย่างเลวว่างั้นเถอะหรือว่าจัดมีสามคือติกะที่สองติกะที่สองก็เหมือนอย่างนั้นโดยเกี่ยวกับอัตตาที่ปไตยศีนโลกาที่ปไายสีนแล้วก็ธรรมมาที่ปไายสีนอัตตาที่ปไายสีนก็คือ ละความประพฤติที่ไม่สมควรแก่ตนโดยเคารพตนนะมีนะคนที่รักษาศีลเนี่ยนะเพราะความเคารพตัวเองเนี่ยนะไอ้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอัตตาที่ปไตยะคือมียตัวเองเนี่ยเป็นหลักคือที่รักษาศีลได้เพราะความเคารพตัวเองนะอย่างนี้เครียกว่าอัตตาที่ปไตยศีลส่วนโลกาที่ปไตยศีลก็คืออาศัยโลกนะ เช่นอายเทวดาก็เลยไม่กล้าทำบาปอย่างเงี้ยนะอายเทวดาอายคนโน้นอายคนนีน้นนนแล้วก็ธรรมมาที่ปฏิยศีนนะบางคนก็เคารพธรรมก็รักษาศีลบางคนเคารพตัวเองก็รักษาศีลบางคนก็ยำเกรงคนอื่นก็เลยรักษาศีลบางคนก็รักเพราะเคารพธรรมก็เลยรักษาศีลอันนี้ติกะที่สอง ตรงนี้ยังไม่ได้อธิบายละเอยียดจริงๆนะให้เน้นให้รู้จักทำความคุ้นเคยกับหัวข้อก่อน